สี่บาปังสกูละวรคหมวดว่าด้วยผ้าปังสกุลเป็นต้นหนึ่งปังสกูลสัญญากะเทราประทานประวัติในจิตชาติของพระปังสกูละสัญญากะเทระพระปังสกูละสัญญากะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในจิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาพระนามว่าติสจะผู้ทรงเป็นพระสยามภู ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระชินเจ้าทรงวางผ้าบางสกุลไว้แล้วเสด็จเข้าไปยังพระวิหารเขาพระเจ้าสะพายธนูที่จัดแจงไว้แล้วและกระบอกที่ใส่น้ําไว้แล้วถือดาบเข้าป่าใหญ่ครั้งนั้นเขาพระเจ้าได้เห็นผ้าบางสกุลซึ่งแขวนอยู่ที่ยอดไม้ในป่านั้นจึงวางธนูลงณที่นั้นเองแล้วปรนนมมือขึ้นเหนือศีรษะเขาพระเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี และมีปิติอันไพ่โบลเราลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดแล้วได้ไหว้ผ้าบางสกุลนีนกลับที่เกสบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ไหว้ผ้าบางสกุลไว้จึงไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการไหว้ผ้าบางสกุลกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าข้เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพระเจ้ากถอนได้แล้วเขาพระเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพรเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระบังสุกุลสัญญกะเทระได้พาสุขฐานเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ฟังสุกุลสัญญกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองพุทธสัญญกะเทราประธานประวัติในดิจชาตของพระพุทธสัญญกะเทระพระพุทธสัญญกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าเป็นผู้สาธยายพระเวททรงมนจบตรยเพศชำนาญในคำพีพยากรลักษณะคำพีอิติหาจะพร้อมด้วยคำพีนิคันทุศาสและคำพีเกตุพาสตร์ครั้งนั้นสิทธิ์ทั้งหลายพากันมหาเขาพเจ้าไม่ขาดสายเหมือนกระแสน้ำเขาพเจ้าไม่เกี่ยคร้าน สอนมนแก่สิทธ์เหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนในคราวนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงกำจัดความมืดมนให้พินาศแล้วให้แสงสว่างคือพระาญาณเป็นไปครั้งนั้นสิทธิของข้าพเจ้าคนหนึ่งได้บอกแก่สิทธิทั้งหลายของข้าพเจ้าพวกเขาได้ฟังความนั้นจึงบอกแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่า พระสัพพัญยพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วชนย่อมประพฤติตามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่เราไม่มีลาบเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีการอุบัติเลิศลอยมีพระจักสุมีพระยดยิ่งใหญ่ฉะ น, นันเนาเราควรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกข้าพเจ้าถือหนังสัตว์ ภาพเปลือกไม้และคอนโทรน้ําของข้าพเจ้าแล้วจึงออกจากอาสมเรียกสิทธ์ทั้งหลายมากล่าวว่าความเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกนี้หาได้ยากเหมือนหาดอกมะเดื่อที่ดีเหมือนหากระต่ายในดวงจันทร์หรือเหมือนหาน้ํามันกาพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วแม้ความเป็นมนุษย์ก็หาได้ยากเมื่อทั้งสองอย่างมีอยู่ แต่การได้สดับพระสัทธธรรมก็หาได้ยากยิ่งพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วความเจริญจากมีแก่พวกเราผู้ได้ดวงตามาเถิดท่านทั้งหลายเราทุกคนจะไปยังสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทุกคนสภายคนโทน้ำนุ่งผ้าหนังสัตว์ที่มีเล็บในครั้งนั้นพวกเขากล่าวชะดาและหาบริขารพากันออกจากป่าใหญ่ พวกเขาทอดสายตาดูประมาณชั่วแอกแสวงหาประโยชน์สูงสุดเดินมาเหมือนลูกช้างเป็นผู้มีสะดุง้งดุจพญาไกรสอนราชสีพวกเขาไม่มีความสะดุง้งหมดความละโมบมีปัญญารักษาตนมีความประพฤติสงบเที่ยวไปพร้อมด้วยจะเบียงกรังเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในระยะทางหนึ่งโยครึ่งเขาพระเจ้าได้เกิดเจ็ป่วยขึ้น จึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดแล้วสิ้นชีวิตในที่นั้นในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้สัญญาในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทร้าว่าท่านพระพุทธสัญญกะเทระได้พาสึกกคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้พุทธสัญญกะเทราประทานที่สองจบสาพิจัทายกะเทราประทานประวัติในดิจาตาของพระพิจาัทายกะเทระพระพิจาัทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าลงสู่สะโบครณีที่ช้างน า, นานาชนิดอาศัยอาบยินถอนเง่าโบในสะนั้นเพราะเหตุต้องการจะยินสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้า พ, พระนามว่าปทุมุตระทรงผ้ากัมพลสีแดงเสด็จไปในอากาศขณะนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงชายผ้าบางสกุลสะบัด จึงแงหน้าขึ้นดูก็ได้เห็นพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกข้าพเจ้ายืนอยู่ที่สระบครณีนั้นนั่นแหละได้ทูลอ้อนวอนพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าน้ำหวานไหลออกจากเงาบัวน้ำนมและเนยใสไหลออกจากก้านบัวขอพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุโปรดทรงรับพิษาเพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้น พระบรมจาสดาทรงประกอบเ้วยพระมหากรุณามีพระยศยิ่งใหญ่จึงเสด็จลงจากอากาศทรงรับภิษาของข้าพเจ้าเพื่ออนุเคราะห์ครั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าว่าท่านผู้มีบุญมากขอจงมีความสุขเถิดคติจงสำเร็จแก่ท่านด้วยการถวายเงาโบนี้ขอท่านจงได้รับความสุขอันไพ่บุญเถิด ครั้นตรัสแล้วอย่างนี้พระชินะสัมมาจัมพุตจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ตรัสรู้เองได้ทรงรับภิกษาแล้วเสด็จไปทางอากาศลำดับนั้นเขาไเจ้าเก็บเงาบัวกลับมายังอาสมคล้องเงาบัวไว้บนต้นไม้ระลึกถึงฐานของตนครั้งนั้นลมพายุใหญ่ตั้งขึ้นแล้วพัดป่าให้ปั่นป่วนอากาศบันลือลั่นเมื่อสายฟ้าผ่าลงมา ลำดับนั้นสายฟ้าผ่าลงที่ศีรษะของข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้านั้นเป็นผู้นั่งตายในที่นั้นเองข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยกรรมดีไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิตทิ้งไว้แต่ซากศพและข้าพเจ้าได้รื่นรมอยู่ในเทวโลกนั่งอับซ้อนปดหมื่นหพันนางล้วนประดับตกแต่งอย่างสวยงามต่างก็บำรุงข้าพเจ้าอยู่ทุกเช้าเย็น นี้เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัวครั้งนั้นข้าพเจ้ามาสู่กำเนิดมนุษย์เป็นผู้มีความสุขข้าพเจ้าไม่มีความบกพร่องในโพคะเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัวข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้คงที่พระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์แล้วอารวะทั้งปวงสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก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 ได้ทราบว่าท่านพระพิสาัทายกะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิพพิสาัทายกะเถราประธานที่สามจบสียานัทวิกละเถราประธานประวัติในดิจฉาของพระยานัทวิกละเถระพระยานัทวิกละเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าสร้างอาสมอย่างสวยงามไว้ณทิศใต้แห่งภูเขาหิมพานครั้งนั้นข้าพเจ้าสแสวงหาประโยชน์สูงสุดจึงอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ข้าพเจ้ายินดีเรื่องเงามันและผลไม้ตามมีตามได้ไม่เที่ยวสแสวงหาอยู่เพียงผู้เดียวครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมท ะ, ะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระองค์ทรงประกาศสัจจะสี ช่วยฉุดมหาชนขึ้นเขาพเจ้าไม่ได้สดับข่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ใครๆก็ไม่บอกเขาพเจ้าเมื่อล่วงไปได้แปดปีเขาพเจ้าจึงได้สดับข่าวพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเขาพเจ้านำไฟและฟืนออกแล้วกวาดอาสมหาบริขารออกจากป่าใหญ่ไปครั้งนั้นเขาพเจ้าพักอยู่ในบ้านและนิคมหนึ่งคืนเข้าไปใกล้กรุงจันท ว, วัตดีโดยลําดับ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าสุมเมทะทรงแสดงอมตะบทช่วยฉุดสัตว์จํานวนมากขึ้นเขาพระเจ้าได้ผ่านหมู่ชนเข้าไปไหว้พระชินเจ้าผู้เสด็จมาดีแล้วทําผ้าหนังสัตว์เวียงบาข้างหนึ่งแล้วสรรเสริญพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าพระองค์ผู้เป็นพระาศาสดาผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้ปรากฏดุจธง เป็นดุดธงชัยและเป็นดุดเสาพิธีผูกสัตว์บูชายันเป็นที่หมายปองเป็นที่พึ่งและเป็นดุดดวงประทีปของหมูสัตว์พาณวาระที่ยี่สิเอ็ดจบพระองค์เป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราดในญานทัศนะทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นไปได้ข้าแต่พระมุนีผู้อื่นที่จะช่วยหมูสัตว์ให้ข้ามพ้นวัตสงสารไปได้ ยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีในโลกมหาสมุทรที่ลึกที่สุดก็พึงอาจที่จะประมาณได้ด้วยปลายญย้คาคาแต่พระสัพพันยอยู่ส่วนพระยานของพระองค์ใครๆก็ไม่อาจจะประมาณได้เลยแผ่นดินก็อาจจะวางลงบนตราช่างแล้วช่างดูได้คาแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุแต่สิ่งที่เสมอด้วยพระปัญญาของพระองค์ไม่มีเลย อากาศก็อาจจะวัดได้ด้วยเชือกและนิ้วมือข้าแต่พระสัพพัญยูส่วนศีลของพระองค์ใครๆก็ไม่อาจจะประมาณได้เลยน้ำในมหาสมุทรอากาศและพื้นแผ่นดินสิ่งทั้งสามนี้ก็พึงอาจประมาณได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุพระองค์เป็นผู้ที่ใครๆจะประมาณไม่ได้เลยเาพเจ้ากล่าวสรรเสริญพระสัพพัญยูผู้มีพระยดยิ่งใหญ่ ด้วยคาถาหกคาถาแล้วประนมมือเยือนนิ่งอยู่ในเวลานั้นพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเสมอด้วยพื้นปฐพีเป็นเมธีชั้นเลิศซึ่งชนทั้งหลายถวายพระนามว่าสุมเมทะประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราจักพยากรณ์ผู้ที่มีจิตเลื่อมใสได้ยกกล่าวสรรเสริ ญ, ญญาณของเราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด ผู้นี้จะเรื่อรมในเทวโลกตลอดเจเจกัปจกเป็นจอมเทพครองเทวคสมบัติอยู่ในเทวโลกตลอดพันชาติจกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลายร้อยชาติและจะได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูรนับชาติไม่ท่วนเขาจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามก็จะเป็นผู้มั่นคงในกรรมดีจะเป็นผู้มีความดําริไม่บกพร่องมีปัญญาเฉียบแหลม เรียกกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอคกคากราชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จากไม่มีความกังวลออกโบดจากบรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบในระหว่างการทึกข้าพเจ้าจําความได้จนถึงการบรรลุาศาสนธรรมนี้ข้าพเจ้าไม่รู้จักความไม่สบายใจเลย ข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดสวยสมบัติในภพน้อยภพใหญ่ข้าพเจ้าไม่มีความบกพร่องในโพคะเลยนี้เป็นผลในการสรนเสริญพระญาณไฟสามกองข้าพเจ้าดับได้แล้วภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วอาสะวะทั้งปวงสิ้นแล้วบัตดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกเรียกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้สรนเสริญพระญาณไว้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 ญาณทวิกะเถราประธานที่สี่จบหจันทนามารยาเถราประธานประวัติในดิจชาติของพระจันทนามารยเถระพระจันทนามารยเถระเรมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าละเบญจา ก, กามคุณที่น่ายินดีน่าพอใจและละทรัพย์ประมาณแปดสิบโกศแล้วจึงออกบวชเป็นบนรรพชิต ครันบวชแล้วได้เว้นกายทุจริตและวจีทุจริตอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ํเข้าพเจ้าอยู่คนเดียวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดได้เสด็จมาใกล้ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้ทําการปฏิสันถารนครั้นทําการปฏิสันฐาน ร, ารฐาแล้วจึงได้ทูลถามถึงชื่อและโคดว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกบุรินทะ ท่านเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครหรือเป็นเท้ามหาพรหมมาณฑที่นี้สว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยข้าแต่ท่านผู้นิรุกุจกจักรรมีการพันหนึ่งปรากฏที่เท้าของท่านท่านเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรขอท่านจงบอกชื่อและโครกระจัดความสงสัยของเราเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่า เราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่เท้าสักระบุรินทะและเราไม่ได้เป็นพรหมเราเป็นผู้สูงส่งก่าชนเหล่านั้นล่วงวิสัยของชนเหล่านั้นทำลายเครื่องผูกมัดคือกรามได้แล้วเผากิเลสหมดแล้วบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดข้าพเจ้าที่ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วจึงได้ยกราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระมหามุนี ถ้าพระองค์เป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าขอเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดพระองค์ทําที่สุดทุกขได้ข้าพระองค์จักบูชาพระองค์เขาพระเจ้าจึงได้ลาดหนังสัตว์ถวายพระศาสดาพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนหนังสัตว์นั้นดุจพยาราชสีนั่งอยู่ในถ้ำเข้าพระเจ้ารีบขึ้นภูเขาเก็บผลมะม่วงดอกสาละที่สวยงามและแ่นจันท์ซึ่งมีราคามาก ข้าพเจ้ารีบขอบของทั้งหมดเข้าเฝ้าพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกได้ถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าแล้วใช้ดอกสาละปูชาได้ใช้แก่นจันท ร, รูปไล่แล้วไหว้พระาศาสดาข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีมีปิติภัยบูร์แล้วพระาศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าสุเมทะประทับนั่งบนหนังสัตว์ พระองค์เมื่อเจเข้าพระเจ้ารื่นเริงได้ทรงพยากรณ์กรรมของข้าพระเจ้าหนึ่งครั้งนั้นว่าด้วยการถวายผ ล, ลไม้กับของหอมและดอกไม้ทั้งสองอย่างนี้ผู้นี้จกรื่นรมในเทวโลกตลอดหนึ่งร้ยบห้าขั้เขาจะเป็นผู้มีความดําริทางใจไม่บกพร่องมีอํานาจจากไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีฤทธิ์มาก มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตตลอดหนึ่งยกับวิสุกรรมเทพประบุในรมิตรนครมีนามว่าเวพาระนคร น, นั้นจกเป็นทองคำล้วนประดับด้วยรัตนาชาตินานาชนิดเขาจาักเวียนไหวตายเกิดในกำเนิดทั้งหลายด้วยอุบายนี้แลจกเป็นผู้มีความสุขทุกพบคือในภพเทวดาหรือภพมนุษย์ เมื่อถึงพบสุดท้ายเขาจะเกิดเป็นเผ่าพันธุ์ของท่านผู้ประเสริฐจกออกบวชเป็นบรรพชิตจกเป็นผู้ไม่ออกปากขอปัจจัยไม่มีอาสวะแล้วนิพพานครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกตรัสอย่างนี้แล้วขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเพ่งดูอยู่ได้เสด็จเหาะไปในอากาศด้ืยกกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นเข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วอุบัติในคันมารดาเมื่อเข้าพเจ้าอยู่ในคันเข้าพเจ้าไม่มีความบกพร่องในโภคะเลยเมื่อเข้าพเจ้ายังอยู่ในคันมารดาโภชนาหารคือข้าวและน้ำบังเกิดแก่มารดาตามความพอใจตามปรารถนาของเข้าพเจ้า ข้าพเจ้าบวชเป็นบรรพชิตเมื่ออายุได้ห้าขวบขณะปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุอรหัตผลข้าพเจ้าค้นหาบุปกรรมอยู่ก็ไม่ได้เห็นบุปกรรมอะไรอะไรแต่ข้าพเจ้ามาระลึกถึงกรรมของตนได้นอกเหนือไปในกลับที่สามหมื่นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ ข้าพระองค์อาศัยคําสั่งสอนของพระองค์จึงได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวเลียกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยอันนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าขัเผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพระเจ้าขถอนได้แล้วเขาพระเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพจเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระจันทนามารยาเถระได้พาสึกคาถานเหล่านี้ด้วยประการฉนี้จันทนะมารยาเถราประธานที่ห้าจบหกทาตุปูชกะเถราประธานประวัติในดิจชาติของพระทาตุปูชกะเถระพระธาตุปูชกะเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระโล ก, ก น, นาถพระนามว่าจิตทัตถะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกปรินิพานแล้วข้าพเจ้าได้นำพวกญาติของข้าพเจ้ามาทําการบูชาพระธาตุในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาพระธาตุไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระธาตุ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 ปุรินุปปาทกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระปูรินุปปาทกะเทระพระปุรินุกปาทกะเท ร, ร ะ, ะ เ, ทรเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นดาบทชื่อเทวละอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานที่ภูเขานั้นที่จงกรมของข้าพเจ้าเป็นที่ที่พวกอมนุษย์เนรมิถั้ครั้งนั้นข้าพเจ้ามุ่นมวยผม สภายคนโทรน้ําเมื่อจะสแสวงหาประโยชน์อย่างสูงสุดได้ออกจากป่าใหญ่ไปในการนั้นครั้งนั้นสิทประมาณแปดหมืนสี่พันคนอุปถัมภ์ข้าพเจ้าพวกเขาขนขวายในการงานของตนอยู่ในป่าใหญ่ข้าพเจ้าออกจากอาสมได้กรอพระเจดีทรายแล้วรวบรวมดอกไม้นานาชนิดมาบูชาพระเจดีนั้นข้าพเจ้าทําจิตให้เลื่อมใสในพระเจดีแล้ว เข้าไปสู่อาสมสิทธุทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันแล้วถามความข้อนี้ว่าข้าแต่ท่านเทวะท่านนมัส ก, การสถูปที่ก่อด้วยทรายทำไมแม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็อยากจะรู้ข้าพเจ้าทั้งหลายถามท่านแล้วโปรดบอกด้วยเถิดเทพเจ้าตอบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีพระจักสุมีพระยศยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายได้พบแล้วในบทมนของเราไม่ใช่หรือ เรานมัส ก, การพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเหล่านั้นผู้มีประยชน์ยิ่งใหญ่เช่นไรพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีความเพียรมากเป็นสัพพันยูผู้ทรงเป็นผู้นำศาสตว์โลกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีคุณอย่างไรมีสิ่อย่างไรมีประยชน์ยิ่งใหญ่เช่นไรพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระลักษณะอันประเสริฐสาสองประการมีพระทนครบสี่สิบสี่ มีดวงเนตรดังดวงตาแห่งโพและสดใสเหมือนผลมะกล่ำอันหนึง่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์เมื่อเสด็จดำเนินไปก็ทอดพระเนตรเพียงชั่วแอกพระชานุ ข, ของพระองค์ไม่ลั่นใครๆไม่ได้ยินเสียงที่ต่ออันหนึง่งพระสุคดทั้งหลายเมื่อจะเสด็จดำเนินไม่จงรีบร้อนเสด็จดำเนินไปทรงก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อน น, นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่สะดุ้งดุจพญาไกรสอนราชสีพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่ทรงยกพระองค์ไม่ข่มสัตว์ทั้งหลายทรงหลุดพ้นจากการถือตัวและดูหมิ่นท่านมีพระองค์เสมอในสัตว์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ไม่ทรงยกพระองค์นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นพระองค์ทรงแสดงแสงสว่างทรงประกาศวิการหกทั่วพื้นแผ่นดินนี้ทั้งสิน้นทั้งพระองค์ทรงเห็นนรกด้วยครั้งนั้นไฟนรกดับมหาเมฆบรรดาลฝนให้ตกนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายเหล่านั้นทรงพระคุณประเสริฐมากไม่มีใครเทียบได้มีประยชน์ยิ่งใหญ่ มีพระคุณหาประมาณมิได้ใครๆไม่เกินพระองค์ไปโดยเกียรตคุณพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นเช่นนี้สิต ท, ทุกคนเป็นผู้มีความเคารพชื่นชมถ้อยคําของขพระพุทธเจ้าต่างได้ปฏิบัติเช่นนั้นตามความสามารถตามกำลังของตนพวกเขามีความเพลิดเพลอในกรรมของตนเชื่อฟังถ้อยคําของขพระพุทธเจ้ามีฉันาาทะอัยาศัยน้อมไปในความเป็นพระพุทธเจ้า พากันบูชาพระเจดีทรายครั้งนั้นเทพประบุผู้มียศมากจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตอุบัติในพระพันของพระมารดาเหมือนจักรวาลไหวแล้วข้าพเจ้ายืนอยู่หน้าที่จงกรมไม่ไกลจากอาสมสิทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันในสำนักของข้าพเจ้าถามว่าแผ่นดินบรรเลั่นดุดโกอุสภะคึอขนองดุดราชสีคำรน ดูดเจระเข้ฟาดหางจกมีผลเป็นอย่างไรเาพเจ้าตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดที่เาพเจ้าประกาศที่ใกล้พระสถูปคลองายบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีโชคผู้ทรงเป็นพระศาสดาเสด็จลงสู่พระคันของพระมาณดาแล้วเทพเจ้าแสดงธรรมกถาแก่จิตเหล่านั้นแล้วกล่าวสดุดีพระมหามุนี ส่งสิทธิ์ขงตนไปแล้วนั่งขัดสมาธิก็ข้าพเจ้ามีกําลังสิ้นไปแล้วหนาะโวยหนักเราลึกถึงพระพ เ, เจ้าผู้ประเสริฐที่สุดแล้วได้สิ้นชีวิตในที่นั้นเองครั้งนั้นสิทุกคนมาประชุมกันได้สร้างจิต ก, กาธานขึ้นแล้วได้ยกร่างของข้าพเจ้าขึ้นวางยังจิต ก, กาธานพวกเขาพากันยืนประนมมือเหนือศีรษะล้อมรอบจิต ก, กาธาน พากันเศร้าโศกพร่ำครวญเมื่อจิตเหล่านั้นพิไรรำพันอยู่เขาพเจ้าได้ไปใกล้จิ ก, กาทานแล้วสั่งสอนพวกเขาว่าเราคืออาจารย์ของเธอทั้งหลายท่านผู้มีปัญญาดีทั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกเลยท่านทั้งหลายพึงเป็นผู้ไม่เกียรคร้านพึงพยายามในประโยชน์ของตนทั้งกลางวันกลางคืนอย่าได้ประมาทจงใช้เวลาที่มีให้เป็นประโยชน์ พระพเจ้าพร่ำสอนสิทธิ์ของตนแล้วกลับไปยังเทวโลกได้อยู่ในเทวโลกถึงสิบแปดตับได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิห้าร้อยชาติและได้ครองเทวสมบัติหลายร้อยชาติในกลับที่เหลือพระพเจ้าแม้จะเวียนว่ายตายเกิดไปมาแต่ก็ไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการก่อพระเจดีน์ในเดือนที่ดอกโกมตบานต้นไม้จานวนมากก็มีดอกบานฉันใด ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ที่พระศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ให้เบิกบานแล้วในสมัยนั้นฉันนั้นเหมือนกันข้าพเจ้ามีความเพียร น, นําพาธุระไปอันเป็นเหตุนํำทำเป็นแดนกเกษมจากโยคะมาให้ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระเงีกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป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 วิชาสามเขาพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, เจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเขาพระเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, เจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปุรินุปป ะ, ะเถระ ได้ภาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ผู่ลินุก ป, ปาทกะเถราประธานที่เจดจบ8ตรานิยเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระตรานิยเถระพระตรานิยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัถฐาทศีผู้เป็นพระสยามภู ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นพระตถาคตได้เสด็จไปที่ฝั่งแม่น้ำวินดาเาพเจ้าเป็นเต่าเที่ยวไปมาในแม่น้ำขึ้นจากน้ำแล้วประสงค์จะอัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จข้ามฝากเจึงเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกกราบทูลว่าขอทูลเชิญพระพุทธเจ้าผู้เป็นมหามุนีพระนามว่าอัฏฐทัตสีเสด็จขึ้นหลังของข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์จะนำเสด็จพระองค์ผู้ทำที่สุดทุกข้ามฟากพระพุทธเจ้าผู้มีประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าอัฏฐทัศสีทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วจึงเสด็จขึ้นประทับยืนบนหลังของข้าพเจ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าจำความได้และรู้เดียงสาข้าพเจ้าไม่มีความสุขเช่นกับความสุขที่ได้รับในขณะที่ฝ่าพระบาถูกต้องเลย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัสสีผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่เสด็จขึ้นประทับยืนที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วได้ตรัสพระคทถาเหล่านี้ว่าเราข้ามกระแสน้ำเพียงชั่วขณะจิตเป็นไปก็พญาเต่า ต, ตัวนี้มีบุญส่งเราข้ามฟากด้วยการส่งพระพุทธเจ้าข้ามฟากนี้และด้วยความเป็นผู้มีจิตเมตตาเขาจะเรื่อนรมในเทวโลตลอดหนึ่งพันแปดร้อยกับ เขาจากเทวโลกมามนุษยโลกนี้อันกูสลมูลตักเตือนแล้วนั่งณอาสนะเดียวจากข้ามกระแสความสงสัยได้พืชแม้น้อยที่ชาวนาหว่านลงในผืนนาที่ดีเมื่อฝนตกลงอยู่โดยชอบผลย่อมทำให้ชาวนายินดีแม้ฉันใดพูดตเขตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไวน้นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อบุญให้ผลสม่าเสมอ ก็จะทําให้ข้าพเจ้ายินดีข้าพเจ้ามีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบําเพ็ญเพียรสงบระงับไม่มีอุปธิกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะในกลับที่หนึ่งพันแปดร้อยนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการส่งพระพุทธเจ้าข้ามฟ้ากิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าข้เผาได้แล้ว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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตรานิยะเทระได้พาตรัฐคาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ตระนิยะเทราประธานที่แปดจบเกาธรรมรุจิเทราประธาน ประวัติในดิจชาติของพระธรรมรุจิเทระพระธรรมรุจิเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าในเวลาที่พระพุทธชินจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงพยากรสุเมธาดาบทว่าแล่กลับนับประมาณมิได้จากกลับนี้ไปดาบทนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระมารดาผู้จะกาเนิดดาบทนี้จะมีพระนามว่ามายา พระบิดาจากมีพระนามว่าสุโธธนะดาบทนี้จะมีนามว่าโคโดมดาบทนี้จกตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขระิริยาแล้วจกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีประย์ยิ่งใหญ่ตรัสรู้ที่คนต้นอสัต t พฤกพระอุปติาเทระและพระโกริตเถระจกเป็นพระอภรส า, าวกพระอุปถาชื่อว่าพระานนท จากอุปถาพระชินเจ้านี้เขมาพิษุณีและอุบลวนนานณาภิษุณีจากเป็นพระอัครสาวิกาจิตตะขหบดีอุบาสกและหัตถกะขหบดีอุบาสกชาวเมืองอาลวีจากเป็นอัครอุบาสกขุดชุตราอุบาสิกาและนันทมาดาอุบาสิกาเป็นอัครอุบาสิกาต้นไม้เป็นสถานที่ตรัสรู้ของนักปราผู้นี้ ชาวโลกเรียกกันว่าต้นอัจสัตวพฤกษ์มนุษย์และเทวดาได้สะดับพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะหาใครเสมอเหมือนมิได้ต่างเป็นผู้เบิกบานประนมมือนมัสการข้าแต่พระมหาหมุนีครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นมานบชื่อเมฆะศึกษามาดีแล้วได้สะดับคามพยากรอันประเสริฐของสุมเมธาดาบท ข้าพเจ้าเป็นผู้คุ้นเคยกับสุมเมธาดาบทผู้มีความกรุณาและรีบออกบวชตามสุมเมธาดาบทผู้มีความเพียรซึ่งบวชอยู่เป็นผู้สำรวมในปาติโมกและอินรียห้ามีอาชีวะหมดจดมีสติเป็นนักปราดกระทำตามคำสั่งสอนของพระชินเจ้าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างนี้ถูกปาปมิตรบางคนชักนาในความประพฤติเลวทราม ถูกขจัดออกจากผลทางที่ชอบแล้วเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งวิตกจึงหลีกออกจากศาสนาภายหลังถูกปาปะมิตรนั้นชักชวนให้ฆ่ามารดาเาพเจ้ามีจิตชั่วร้ายได้ทำอนันตริยกรรมฆ่ามารดาจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกที่แสนจะทารุณเาพเจ้าตกนรกประสบความลำบากเวียนว่ายตายเกิดอยู่นาน ไม่ได้เห็นสุเมธาดาบทผู้เป็นนักปราผู้ประเสริฐกว่านรชนในกลับนี้ข้าพเจ้าเกิดเป็นปลาเตมียงคละอยู่ในมหาสมุทรเห็นเรือในสมุทรสาครจึงเข้าไปเพื่อจะกินพวกพ่อค้าเห็นข้าพเจ้าก็กลัวระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระพเจ้าได้ยินเสียงกึกก้องว่าโคตมะที่พ่อค้าเหล่านั้นเปล่งขึ้นจึงนึกถึงสัญญาเก่าขึ้นมาได้ จากนั้นก็เสียชีวิตแล้วไปเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่งในกรุงสาวัตถีเขาพระเจ้าชื่อว่าธรรมรุจิเป็นผู้เกลียดบาปกรรมทุกอย่างพออายุได้เจ็ดขวบ ก, ก็ได้พบพระพุทธองค์ผู้สองโลกให้โชคช่วงเขาพระเจ้าจึงได้ไปยังพระเจตวันมหาวิหารแล้วบวชเป็นบรรพชิตเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสามครั้งต่อคืนและวันครั้งนั้น พระองค์ผู้เป็นมุนีพ่อพระเนรเห็นข้าพเจ้าเข้าจึงตรัสว่าธรรมรุจิท่านจงระลึกถึงเราลำดับนั้นข้าพเจ้ากราบทูลบุปกรรมอย่างแจ่มแจ้งกับพระพุทธเจ้าว่านานมาแล้วข้าพระองค์ไม่ได้พบพระองค์ผู้ทรงบุ ญ, ญลักษณะตั้งร้อยผู้ทรงมีเหตุปัจจัยบริสุทธิ์ในชาติปางก่อนบัดนี้ข้าพระองค์ได้พบพระสริระของพระองค์ นับว่าเป็นการเห็นที่ประเสริฐแท้ไม่มีสิ่งเปรียบความมืดคือโมหะพระองค์ขจัดได้สิ้นเชิงหนอะเขาพเจ้าชมเชยพระองค์แล้วแม่น้ําคือตันหาอันพระองค์ผู้มีอินทรีย์อันรักษาไว้ดีแล้วให้เหือดแห้งไปโดยสิ้นเชิงพระนิพานที่ไม่มีมนทินอันพระองค์ทรงชําระดีแล้วสิ่งกาลนานข้าแต่พระมหามุนี พระองค์บรรลุนัยนาที่สําเร็จด้วยญาณสิ้นกาลนานข้าพระองค์พินาตไปในระหว่างตลอดกาลนานข้าแต่พระโคดมแต่วันนี้ข้าพระองค์ได้พบพระองค์การพบเป็นต้นที่ได้ทําไว้จากมิพินาตไปอีกกิเลสทั้งหลายเข้าพระเจ้าขเผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพระเจ้ากระ t h ได้แล้วเข้าพระเจ้าตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้า พ, พเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระธรรมรุจิเทระได้ภาสัจคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ธรรมรุจิเถราประทานที่เก้าจบสิสาลามันทาปิยะเถราประทานประวัติในดิจฉาติของพระสาลามันทาปิยะเทระพระสารามันธาปิยะเท ร, ระ เมื่อจะประกาประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าไปยังป่าไม้สาละสร้างอาสมอย่างสวยงามมุงบังด้วยดอกสาละอยู่ในป่าใหญ่ส่วนพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปิยทัศ ส, สีผู้เป็นพระสยามภูเป็นบุคคลผู้เลิศตรัสรู้ด้วยพระองค์เองผู้ทรงประสงค์วิเวกได้เสด็จเข้าไปยังป่าไม้สาละ ข้าพเจ้าที่ออกจากอาสมไปยังป่าใหญ่เที่ยวแสวงหาเผือกมันและผลไม้ในป่าในเวลานั้นได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัต ส, สีผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ประทับนั่งเข้าสมาบัตรรุ่งโรจน์อยู่ในป่าใหญ่นั้นข้าพเจ้าปักไม้เป็นสี่เ้าทำปรมอย่างดีมงด้วยดอกสาละเบื้องบนพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าคงตั้งป ร, รมซึ่งมงด้วยดอกสาละไว้เจ็ดวันทำจิตให้เลื่อมสายเนกรรมนั้นได้ไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นบุรุษสูงสุดเสด็จออกจากสมาธิประทับนั่งท่อพระเนตรดูเพียงชั่วแอกสาวกของพระาศาสดาพระนามว่าปิยทัศสีชื่อว่าวรุณะพร้อมด้วยสาวกผู้ได้วสีหนึ่งแสนรูป ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาผู้นำสัตว์โลกส่วนพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปิยทศสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์แล้วทรงทําการแย้มให้ปรากฏพระอนุรุทเทระผู้เป็นพุทธอุปถาของพระศาสดาพระนามว่าปิยทศสีหมจีวรเฉวียงบ่าแล้วได้ทูลถามพระมหามุนีว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคอะไรหนอเป็นเหตุให้พระาศาสดาทรงแย้มเพราะเมื่อมีเหตุพระาศาสดาจึงทรงทำการแย้มให้ปรากฏพระาศาสดาตรัสว่ามานพได้ตั้งเครื่องมุงบังดอกสาละเพื่อเราไว้ตลอดเจ็ดวันเราเระลึกถึงกรรมของมานพนั้นจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏเรายังไม่เห็นโอกาสที่บุญจะไม่ให้ผล โอกาสในเทวโลกหรือมนุษย์โลกยังไม่สงบเมื่อเขาผู้เพียรพร้อมด้วยบุญกรรมอยู่ในเทวโลกบริวารของเขาเท่าที่มีจกมีดอกสาระมุบงบังเขาเป็นผู้ประกอบด้วยบุญกรรมจากเรื่อนรมในเทวโลกนั้นด้วยการฟ้อนการขับร้องและการประโคมที่เป็นทิพในการทุกเมื่อบริวารของเขาเท่าที่มีจกมีกายมีกลิ่นหอมฟุง้ง และฝนดอกสาละจักตกลงทั่วไปในขณะนั้นมานกนี้จุติจากเทวโลกแล้วจักมาเกิดเป็นมนุษย์แม้ในมนุษย์ีโลกนี้เครื่องมุงบางดอกสาละจักทรงอยู่ตลอดการทั้งปวงในมนุษย์ีโลกนี้การฟ้อนรำและการขับร้องที่ประกอบด้วยเสียงกังสดานอย่างไพเระาะจักแวดล้อมมานกนี้เป็นนิพนิ้นป็นผลนิ่นิพาิพนิพนิพนพนิพาิพนิพน และเมื่อดวงอาทิตย์อุทยัยฝนดอกสาละจะตกลงฝนดอกสาละที่ประกอบด้วยบุญกรรมจะกตกลงมาตลอดการทั้งโปวงเนื่องกับที่หนึ่งพันแปดร้อยนับจากกับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมพบในราชสกุลโอก า, ก า, การาชจากอุบัติขึ้นในโลกมานบนี้จกเป็นธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทําเนรมิตร กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานเมื่อเขาตรัสรู้ธรรมจักมีเครื่องมุงบางดอกสาละเมื่อถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอนที่เชิงตะกอนนั้นก็จักมีเครื่องมุงบางดอกสาละพระมหามุนีพระนามว่าปิยทัศสีทรงพยากรณ์วิบากแล้วแสดงธรรมแก่บริษัทให้ชุ่มชื่นเด้วยฝนคือธรรม ข้าพเจ้าด้วยครองเทวสมบัติในเทวโลกตลอดสามสิบกลับได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหกสิบเจ็ดชาติข้าพเจ้าจุติจากเทวโลกมาในมนุษย์โลกนี้ได้รับความสุขอันไพ่บูรณ์แม้ในมนุษย์โลกนี้ก็มีเครื่องมุงบางดอกสาละนี้เป็นผลแห่งการสร้างปรามภพนี้เป็นภพสุดท้ายของข้าพเจ้าภพสุดท้ายกําลังเป็นไปอยู่ แม้ในพบนี้เครื่องมงบังดอกสาละก็จะมีตลอดการทั้งปวงข้าพเจ้าให้พระมหามุนีพระนามว่าโพตมะสักะยะผู้ประเสริฐทรงยินดีและความชนะและและความพ่ายแพ้ได้แล้วบรรลุฐานะที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยกลับที่หนึ่งพันแปดร้อยนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลย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 สาระมันทปิยะเทราประทานที่สิบจบปังสกูลวัคที่สี่สิบเกจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวัค น, นี้คือหนึ่งปังสกูลสัญญกเทราประทานสองพุทธสัญญกเทราประทานสพิจัทยกะเทราประทานสญาณัทธวิกะเทราประทาน หจันทนะมารียเถราประธานหทาตบูชกะเถราประธานเจบูรินุปปทตกะเถราประธาน 8. ปดตารานิยะเถราประธานเกธรรมรุจิเถราประธานสิสาละมันทะปิยะเถราประธานในวักนี้บัณฑิตนับคถาได้สองร้อยสิบเก้าคถา